ถ้าพูดตามอนุโลมก็มีข่าวอยู่สองข่าวข่าวบุญข่าวบาปข่าวบุญคือเดินทางถูกข่าวบาปคือปลีกทา ง, พ อ, งพอถึงพอถึงพระนิพพานแล้วไม่ไดจัดร่าข่าวบาปข่าวบุญสักเพราะบุญก็สร้างพอแล้วบาปก็เว้นพอแล้วเ ล, เลยไม่เลยไม่มีเรื่องของบาปของบุญมีแต่เรื่องพระนิพพาน ไม่สั่งสรนกับโลกอีกต่อไปไม่สั่งสรนกับกองทุกที่ท่านบอกว่ามีพระนารันขึ้นในโลกเท่านั้นเท่านี้ท่านเป็นพูดเป็นบุคลาทิศฐานไอ้ที่แค่พระนารันพริบ่าอะไรจะมาอยู่ในโลกพูดเป็นพูดเป็นบุคลาทิศฐานเพื่อให้าว้จักความหมายเพราะโลกมันมีแต่ทุกจะหาพระนารันในโลกมันไม่มี ที่ท่านบัญญัติมีพระอรหันต์ในโลกท่านั่นองค์ท่านนี้องค์ท่านก็พูดเป็นบุคลาทิษฐานไอ้ที่แท้พระอรหันต์ท่านไม่สําคัญตัวว่าท่านอยู่ในโลกท่านนี้ออกจากโลกแล้วยิตใจของท่านไม่เป็นโลกเป็นธรรมร่ล้วนที่ว่าพระอรหันต์มาในโลกทระนั่นองค์ท่านนี้องค์ก็พูดเป็นบุคลาทิฏฐานเพื่อให้รู้จักเพื่อให้รู้จักความหมายเฉยเฉยไอ้ที่แท้มันไม่มีแท้แน่ จะพหาพระนั่งหันในโลกโลกมันก็มีแต่สังขารณ์กองทุกข์สังขารณ์กองทุกข์นั้นหรือเป็นพระนั่งหันนั่งมันก็ไม่มีที่เราบัญญัติกันก็บัญญัติเพื่อเป็นบุคลาทิฐานเฉยๆคุณพระพุทธธรรมพระสงค์มีอยู่ทุกการมีอยู่ทุกการของพระเนพานที่ท่าบัญญัติว่าศีลมีอยู่ในโลกก็บัญญัติศีลพระสวัสดิวันสัคตาภาเมื พระอนาคามีความศักว์มีอยู่ในโลกก็บัญญัติทุกพระสวัสดิวันแถาคาเมนาคาเมยส่วนพระอรหันต์ท่านนับัญญัติได้มันมีในโลกเพระพระอรหันต์ท่านข้ามโลกไปแล้วข้ามความหลงของตนไปแล้วพูดเป็นบุคลาทิษฐานเพื่อให้เข้าใจง่ายเพื่อให้รู้จักความหมายเฉยเป็นสมมุติคําว่าพระอรหันต์ก็เป็นสมุติ แต่รสชาต์ของพระนันหันไม่ใช่สมมติข้พาพเจ้าพระสวดาวันก็เป็นสมมติแต่รสชาติพระ ส, สวดาวันไม่ใช่สมมติพระคาถาคำเยนาคำเย็นก็เหมือนกัน น, นั่น ท, ท, ทีนี้เราจะทำอะไรก็ทำไปสักทีมิตรรัจะทำอะไรก็ทำสักคุณโยมไปถึงเมืองคำเย็นใช่ไหมคุณโยมอรุณีใช่นะเออไปไปกี่คนด้วยกัน เราเลี้ยหาอยู่ทางนี้ไม่เจอในโลกมีอันตรายทั้งนั้นอันตรายเกิดแก่เก็บตายอันตรายกิเลสจะผกครองกันด้วยวิธีไหนมันก็ไปไม่รอดถ้าหาว่ากิเลสไม่ลดละบ้างมันก็ไปไม่รอดกิเลส ด, ด้านกิเลสมันต้องลดละบ้างมันจึงจะไปรอดเพียงข้อหมายกฎหมู่มัน ไม่อยู่หรอกถ้ากิเลสไม่เบาบางลงบ้างจะตั้งซักเพียงไหนมันก็ไม่อยู่มันก็มีอยู่ในตัวหนังสือนะ่นเหตุฉะนั้นการปฏิบัติสินธรรมมันจึงปฏิเสธไม่ได้การอาบน้าปฏิเสธไม่ได้ชั้นใดการปฏิบัติสินธรรมก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันเพราะมันโซกกระปบไม่อาบน้าสินธรรมก็เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติมันก็สกกระปบ กฎมายมันก็ตั้งมาอยู่ขอรับแช่นรับแค่นมันไปจากไหนมันก็ไปจากกิเลสนั่นเองไม่มีอยากอายต่อบาปนั่นเองไม่มีกลัวต่อบาปนั่นเองคําสอนใดๆก็ามาเถิดถ้ามาชิงตําแหน่งพระพุทธศาสนาแล้วมันไปไม่รอดถ้าอวดดีต่อพระพุทธศาสนาแล้วไปไม่รอดจะวิธีใดก็าตามเถิดะ เขาคือศาสนาปกครองโลกจากเต็มภูมิแล้วเรียกว่ามนุษย์สมบัติสิ่งไหนที่มันเป็นมนุษย์สมบัติสิ่งนั้นก็เป็นสวรรค์สมบัติ um. สิ่งนั้นก็เป็นภูมิสมบัติสิ่งนั้นก็เป็นนิพพานสมบัต yani ิด้วยเพราะมันเป็นโทรเลขโทรศัพท์สายเดียวกันสิ่งไหนที่คัดข้องต่อมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์วิบัติค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัดเป็นในื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษ มันเป็นอบาัยามุกทั้งนั้นแหละข้เม็ชั่วก็เป็นอบายยมุกนักเลงหญิงนักเลงชู้นานักเลงเล่นการพนันเขาคนชั่วเป็นเม็ดเพราะอวัยยมุกทั้งนั้น่ะมุขะก็แปลว่ามันไม่เจริญอยู่ซึ่งหน้าซึ่งฝากอย่างสับดนี่ศีลมันมาจากไหนมันก็มาจากอบายยมุกเพราะอบายยมุกไฟไม่อบายยมุกมันไม่บ้านไม่เรือนไม่ที่ดินด้วย สบายจะพูดที่ดินมันก็ไหมหน้าบ่อห้วยหนองของบึงบามันก็ไหมหมดถ้าไม่มีคำสอนพระพุทธศาสนาแทรกแทรกอยู่ในโลกมันไปไม่รอดทำไมยังมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาน้อยแทะพระพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นหน้าที่คนขี่โรจะมาเรื่อมใสไม่เป็นหน้าที่ของมแมลงวันจะไปเริ่มใส เกสอนออกมาเเพราะมันไม่สมฐานะมันก็สมฐานะแต่มแมลงพึ่งมแมลงผู้ฉันใดก็ดีพระพุทธศาสน า, า, าก็สมฐานะแต่นักปราชญ์เท่านั้นนักเปรตไม่ไม่สมฐานะ <c oughs> มีคนน้อยก็าตามมีคนเต็มใจรักธาตไม่มีศาสนาพุทธสักคนเลยอย่างในสังคมนั้นก็ไม่เป็นเครื่องอบอุ่นคนโยมไปจนถึงศิวเดช น, นวรวเวน ไม่มีศาสนาพุทธไม่เป็นเครื่องอบอุ่นนึกถึงประเทศไทยท่านพูดไปที่ไหนก็ไม่รู้ประเทศไทยท่านว่าอย่างนั้นเพราะประเทศไทยมีศาสนาพุทธถึงจะมีโจรมีผู้ร้ายก่อตามมันก็เป็นเครื่องอบอุ่นอยู่บ้างประเทศจิตประเทศใจไปที่รูประเทศวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศที่มีพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าประเทศสมควรส่วนประเทศส่วนตัวท่านนี่ ประเทศจิตประเทศใจของตนเองที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทรงอยู่อันนั้นเป็นประเทศที่สมควรคือจิตใจของแต่ละท่านละคนนั่นเองเป็นประเทศส่วนตัวประเทศจิตประเทศตายใจในทางปรมัตา์ในทางพระสูตรก็คือประเทศไทยนี่มีผู้ถือพระพุทธศาสนาพุทธเกือบจะห้าสิบหสิบเกือบจะยี่สิบแปดสิบเปอร์เซ็นนี่เป็นประเทศที่สมควร ส่วนประเทศของใครของมันก็คือประเทศใจพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นความดีก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นที่เมืองไกลความชั่วพระผู้เป็นเจ้าก็สร้างขึ้นที่เมืองไกลของใครของมันเพราะบรมศาสลาก็เป็นเพียงเพียงขี้อบอกเท่านั้นหิวนอนก็นอนเองหิวน้ำก็ดื่มเองเราเป็นเพียงขี้อบอกเท่านั้นจะทำแทนพวกเธอไม่ได้เหตุฉะนั้นพระบรมศาสนาจึงเคารพทำ เราทำบุญอยู่ทุกวันไม่ใช่ว่าบุญจะอยู่เสมอเก่ามันก็บวกขึ้นไปทุกวันทุกวันเราทำบาปอยู่ทุกวันบาปก็ไม่อยู่เสมอเก่าก็บวกขึ้นบวกขึ้นบวกขึ้นน่ะมันบวกขึ้นที่ใจไม่ว่าจะบวกขึ้นที่ไหนเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าหาก็หาอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้หาถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้เห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ไม่เห็นน่ะคุณของพระพุทธศาสนา มีอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ระลึกถึงไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่ระลึกถึงเป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเรียกว่าอริยสัจจงเป็นพระคุณอันเนื้อโลกทั้งปวงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ไม่ไมีวันที่วันเสาเลยไม่เป็นธรรมฝ่ายสังขารด้วยเป็นธรรมฝ่ายวิสังขารจึงยืนยันว่าอัปปมาโนพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปมาโนธรรมโมคุณของพระธรรมก็เหมือนกันอัปปามาโนสังโกก็เหมือนกันยืนยันอยู่อย่างนั้นเป็นของจริงยืนยันในสิ่งที่เป็นของจริงไม่เป็นอุปาทานยืนยันในสิ่งที่ไม่เป็นของจริงเป็นอุปาทาน ธรรมที่ทรงอยู่ในพนนระ พ, พุทธศาสนาเป็นโลกุตระธรรมไม่ใช่โลกีธรรมที่เอาโลกีมาปนก็คือเอาลัทธิศาสดาอื่นมาปนเปพระพุทธศาสนาก็เลยกลายเป็นโลกีไอ้ที่แท้พระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระนับแต่สุภเทพโนเป็นต้นไปเป็นโลกุตระดํากว่านั้นลงมาเป็นโลกีธรรมทรงอยู่ที่ไหนทรงอยู่ที่หัวใจ ถ้าใจทำให้มีถ้าใจไม่ทำให้มีทำก็ไม่ทรงอยู่ที่นั้นก็ทรงอยู่ตามธรรมชาติผู้ปฏิบัติก็ต้องทรงอยู่ที่หัวใจทาถ้าผู้ไม่ปฏิบัติถ้าทำก็มีอยู่ตามสภาพใจปฏิบัติทำหรือทำปฏิบัติใจก็คือใจต้องง้อทำปฏิบัติทำเคารพทำจะให้ทำเคารพใจหรือให้ใจเคารพทำก็ให้ใจเคารพทำนั่นเองแปลว่าทรงอยู่ ทรงรูที่อยู่ที่รวงใจอริยะธรรมะ ท, ทิโตนะโรอริยะธรรมคือทำอันประเสริฐอยู่ที่รวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองพระผู้เเจ้าใจเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นผู้เคารพเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้ปฏิบัติธรรมธรรมจึงจะปฏิบัติใจยอมกันร่มร่มจึงจะ ก, กั้นเราเราไม่ยอมกันร่มร่มก็ไม่กั้นเราเวลามันมีน้อยชีวิตของเราก็เท่าชีพผพจญเดินเท่านั้น เนื cio, ้อตรงนั้นเป็นอดีตอนาคตน่ะเราหวังว่าวันพรุ่งนี้เราก็หวังผ้าๆไปเฉยๆดอกหวังเข้าๆไปแต่จะถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่เราก็ไม่ทราบเนี่ยเหตุฉะนั้นจึงไม่ไว้ใจในชีวิตเพราะบรมศาสดาจึงสอนให้พิจารณาความตายเพราะกับลมหายใจเข้าออกจึงไม่ประมาทอานว์พิจารณาความตายวันละร้อยครั้งเพราะบรมศาสดาบอกว่าเธอยังประมาทอยู่นะอานว์ กลมหายใจเข้าออกยิ่งดีแต่พวกเราถ้าพิจารณาความตายมาแล้วเนี่ยเนื่องว่าจะเป็นเลิกปัญญามไม่ดีสักพระบรมศาสดายิ่งทรงเสนอผู้พิจารณาความตายเจะมาถึงตนผู้นั้นมีญาณอยู่หนึ่งรู้ว่าตนและสัตว์ทั้งหลายจะตายและความตายจะมาถึงตนและสัตว์ทั้งหลาย เกิดสังเวชสลดจิตเวลาความตายมาถึงแล้วจะไม่ดิ้นรนจะตั้งหน้าพิจารณากรรมฐานเพราะเคยได้พิจารณาความตายไว้ความตายเป็นของเที่ยงชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงเลยอาเชวะกัดเอออาเชวะกัดจามาตพังโกชัญญ า, น า, นาพระดังสุวเพึ่งทาความเพียงในวันนี้ทีเดียวอย่างไร ใครจะรู้ว่าความตายจะมาในวันพน่งนี้ความตายมาถึงแล้วไม่มีใครจะไถ่ถอนความตายได้ด้วยเวทมนต์หรือด้วยทรัพย์ชาติหนึ่งหนึ่งก็ตายกันคนละชาติเท่านั้นจะ อ, อายุยืนสักเพียงใดก็ตามก็ตายกันคนละชาติที่สมมติว่าตายก่อนตายหลังก็จัดเป็นยุกยุคเท่านั้นไอ้ที่แค่ไม่รู้ว่าใครก่อนใครหลังถ้าว่าเราตายก่อนท่านหรือแก่ก่อนก่อนท่าน หรือเก็บก่อนท่าน่ะผู้เก็บก่อนตายก่อนเราก็มีที่หลังไปอีกก็มีก็ไม่รู้ว่าใครก่อนใครหลังกันวนเวียนกันอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ที่ว่าก่อนว่าหลังก็เป็นยุกยุคชั่วคราวเท่านั้นเรียกว่าสมัยสมัยแปลว่าเวลาชั่วคราวหรือยุค ก, ก็แปลว่าเวลาชั่วยุคชั่วคราวผ่านผ่านอุปสรรคผ่านอุปสรรคเก่ผ่านอุปสรรคเก็บผ่านอุปสรรคกตายอปินหังประเจวิคิตตพัง คัดเถนะว่าพระพิเตนะว่าให้พิจารณาดเนืองเรามีความแก่เป็นธรรมด า, าทุกขเรามีความเก็บเป็นธรรมด า, าทุกข์เรามีความตายเป็นธรรมด า, าทุกขเราจะต้องพัดา้าจากของนักของเข้าใจเป็นธรรมด า, าทุกขเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทำดีจักได้ดีเราทําชั่วจักได้ชั่วอภินะหังเอวังอัมพินะหังปฏิเวกจิตบังจงพิจารณาทุกวันทุกวันเถิดเพื่อจะได้รู้ว่าตามเป็นจริง เพื่อจะไม่ในหลงในวัฏรรสงศารพระพุทธศาสนาเป็น พ, พุทธศาสนาขอในข้ามทะเลหลงของตัวเองทะเลหลงมีอยู่สี่ทะเลหรือสี่มหาสมุทรหรือสี่คณะจิตก็ว่าหลงว่าหลงของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบ หลงของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบหลงของไม่สวยไม่งามถึงว่าเป็นของสวยของงามคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบถ้าข้ามทะเลสี่เหล่าสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นพราดับเพลินดับเพลินในทะเลทั้งหลายเหล่านี้ข้ามไปด้วยปัญญาจะข้ามโง่ก็เอาปัญญาข้ามจะข้ามขี้เกียจ ก็เอาความหมั่นข้ามจะข้ามความไม่มีความเพียรก็เอาความเพียรข้ามจะข้ามความตณีก็ให้ทานจะข้ามความโหดร้ายาควรักษาศีลไม่อยากหลงก็จงภาวนาธาตุแบ่งออกเป็นสองธาตุที่เป็นรูกาลกายเอ็รูปธาตุโลกก็แบ่งออกเป็นสองโลกที่เป็นรู ก, ก็เรียกว่าโลกโรค รูปปะโลกทำก็รู ป, ประธรรมนามธรรมนามธาตุนามขันนามอินทร์เกิดขึ้นแี่แปลว่าอันแตกสลายทรงอยู่ซึ่งสังขารทำทรงคืนอยู่ซึ่งวิสังขารทำคือพระเนพาลทำที่ทรงอยู่ซึ่งสังขารก็เกิดดับเป็นสังขารที่มีใจครองแล้วไม่มีใจครอง สังขารที่มีใจครองก็คือมนุษย์หรือสัตว์สังขารที่ไม่มีใจครองก็คือดินร่วนๆเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเหมือนกันสอนให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลุดพ้นตามความหลงของตนตามเป็นจริงพระสอนให้แก้ความหลงของตนไม่ไปไปแก้ที่อื่นหลงก็หลงอยู่ในหนังหุ้มอยู่ในรอบเนี้ยไม่ได้หลงไปทางอื่นถ้าหลงหนังหุ้มอยู่ในรอบก็หลงอันอื่นเหมือนกัน ถ้าไม่หลงอันนี้ก็ไม่หลงอันอื่นถ้าหลงอันนี้ว่าเป็นของเที่ยงก็หลงอันอื่นว่าเป็นของเที่ยงเหมือนกันถ้าหลงอันนี้ว่าเป็นของสุขของกิรังยั่งยืนก็เข้าใจของอื่นเป็นของสุขเป็นกิรังยั่งยืนเหมือนกันถ้าหลงอันนี้เป็นของตัวตนก็หลงอันอื่นว่าเป็นของตัวตนหรือของท่านผู้อื่นเหมือนกันดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นใายเรียกว่าลูกลูกไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นของพระญาจิตรลัแต่พญาจิตรลั ที่มีกิเลสหลงก็มายืนยันว่าเป็นสมบัติของตัวแต่เมื่อไม่อยู่ตามความประสงค์ก็เสียใจก็ไม่รู้ว่าเสียใจให้ใครแต่ว่าหน้าที่เสียใจก็ต้องเสียใจเพราะเคยเสียใจมาหลายแล้วเพราะยังไม่พ้นจากเขสก็จําเป็นต้องเสียใจผู้พ้นไปแล้วก็ไม่เสียใจผู้พ้นจากความหลงไปแล้วผู้ยังยังไม่พ้นจากความหลงก็จําเป็นก็ต้องเสียใจความดีใจความเสียใจก็ต้องมีท่านผู้พ้นไปแล้ว ท่านก็ไม่ดีใจท่านก็ไม่เสียใจเพราะพ้นไปจากใจกลแล้วใจของท่านว่าเพราะไม่มีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของปัจจุบันอดีตอนาคตของท่านก็ว่าเพราะไม่มีกู้ใดยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นจสักว่าปัจจุบันอดีตอนาคตแต่พวกเรามันเคยยึดถือมาแล้วมก็ต้องของกูของกูอยู่จาก่อนเหตุผลพวางมันจึงจะวางได้ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมาคว้ามาอีกอยู่ ความเค็ดหลาบไม่มีผู้ที่พ้นจากกิเลสไปแล้วท่านเหล่านั้นเค็ดหลาบเค็ดหลาบโลกเค็ดหลาบปวดเค็ดหลาบหลงเค็ดหลาบในวัฏฏะสงสารแล้วพอแล้วไปถึงเมืองพอแล้วพอแล้วในวัฏฏะสงสารอันนี้เห็นชัดแล้วไม่สงสัยเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาชัดเห็นความเกิดขึ้นแล้วแ ป, ปลผวนั้นแต่สลายชัด มีลูกไม้เท่านั้นไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเราจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบางท่านก็บอกว่าซาลาโนปูทําไมทําสวยนักจะไม่เป็นเปรตมาเฝ้าหนุ่นหรือก็ตอบว่าเออพุมโธสวยกว่านี้ก็ยังจะไม่อยู่ชัน ด, ดูสิ่งก็ยังสวยกว่านี้นิมานวตีปกรณิมิตวะสวัสี เดี๋ยวหรวพ่อตายแล้วจะมาเป็นเปรตเท่าอยู่นี่แหละบางท่านก็จะกล่าวตู่อย่างนั้นเออแต่ผมมาโลกก็ยังไม่ติดนี่ ม, มีมิวานทองมิมารเงินอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังทิงไหนที่อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังเราปูฟ้องหักมาให้ติดนี่จะปราสาอะไรกรับซาลากับกุฏิวิหารเนี่ยเมืองสวรรค์สวยกว่านี่ าตมหาราตตวติงสายามาดุสิตนิมาเนวตีปรินิมตวะสตีผมเมตสัตตาผมโพหิตามหาผมมาปริตตาภาปปมานาภาปัตาปริตตาสุภาปมานาสุภาสุกินาอาศัยชาตวหะภะลาอวิหะอัตตาสุชาติสุทธีอการนิตกกาสวยกว่านี้ตั้งร้านตั้งอสงไข่ถึงอย่างนั้นก็ใต้อำนาจนี้จังก็ยังจะไม่ให้ติดนั่นั่ ถูกไหมติดใบคานะต้องการเห็นลมเข้าลมออกเห็นไหมเห็นเพราะมันมีอยู่ต้องการเห็นผมเห็นไหมเห็นเพราะมันมีอยู่ต้องการเห็นอนิจจังทุกครังอนัตตาเห็นไหมเห็นเพราะมันมีอยู่หายใจเข้าข้างหนึ่งมันเป็นมีทั้งอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแล้วสับย์กันอยู่ เห็นความป่วยเน่าในสกุน่ร่างกายไหมเห็นไม่อันหนึ่งก็ต้องอันหนึ่งละพอมันมีอยู่เห็นหนังหงอยู่ได้รอบไหมเห็นนเห็นลำไส้ไหมเห็นปลายข้างหนึ่งอยู่คอหอยปลายข้างหนึ่งอยู่เทวันหนักมีอะไรบ้างอยู่ในลำไส้กินของมันจะเป็นอะไรอย่างไงว่ากินของมันเป็นไฮเป็กหรือเป็นอะไรนั่น S <S <S 1> <S 1> กรรมฐานเนี่ยฐานะมันตั้งอยู่ผู้หนักในาทางราคะก็ต้องเล่นของสกรปรกผู้หนักในทางโทสะก็ต้องแผ่เมตตาผู้หนักในความเชื่อก็ต้องภาวนาพุทโธผู้หนักในความหลงไหลมักจะลืมจะหลงก็กลมห้ใจเข้าออกกรรมฐานแก่ เพื่อเพลินในวาฏสงสารจนไม่มีเบรกก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยบหรือพิจารณาความตายเพราะคำสอนของพระบรมศาสด า, ศ า, ศาสอนในหมดแล้วคล้ายๆกับคุณคล้ายๆกับว่าคุณหมอใหญ่ๆนะบอกในห่อทองสำหรับแก้โรคแล้วว้ทุกขวดทุกหอแล้ว เราจะเอามาใช่ถูกหรือไม่ถูกมันก็เป็นเรื่องของเราบางท่านก็บอกว่านี่ฉันมันนึกคิดอยู่อนี่ฉันมันนึกคิดอยู่มันไม่หยุดสักทีเลยเพ่าะอะไรเออถ้ามันนึกคิดไปทางดีก็ปล่อยมันสิถ้ามันนึกคิดไปนทางกรรมมันไม่ตกมากพยาบาทไม่ตกมากวิหิงสาวไมตกมากก็ต้องห้ามเบรกมันถ้ามันนึกไปทางดีแล้วก็จะไปรบกวนมันก็ปล่อยให้มันนึกสิ มัคคารมนาธมามันเป็นมัคคารมอารมณ์ของมันไปทางกุศลก็ปล่อยมันสิถ้าอารมณ์ของมันเพิ่มไปในทางบาปเราจึงห้ามมันจะห้ามทั้งทางขึ้นทางล่องตันขี้ตันเยี่ยวไม่ให้มันนึกมันคิดมันก็ไม่ไหวละนักเพราะคนไม่ตายก็ปล่อยให้มันนึกคิดสิมันนึกคิดที่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ปล่อยให้มันจิตของที่ฉันไม่ว่างสาคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่า ดิฉันก็ข้ามภาวนาข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าสําคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามไม่ได้ดิฉันก็ข้ามกายไม่ได้ถ้าสําคัญว่ากายเป็นตนตนเป็นกายมันก็อีกอันเดียวกันนั่นแหละนถ้าสําคัญตนว่าเป็นเวทนาเวทนาเป็นตนมันก็ยึดมั่นถือมันในเวทนาอีกเหมือนกันถ้าสําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ยึดมั่นถือมันในจิตอีกเหมือนกันนะั่ ถ้าสาคัญว่าศูนย์เป็นตนตนเป็นศูนมันก็ยึดมั่นศูนอีกเหมือนกันนะทําชั้นสูงอันนี้ถ้าจิตเราสูงมันก็สูงถ้าจิตเราต่ํามันก็ต่ําทั้งนั้นแหละนะโมพระอรหันต์เป็นนะโมที่เรียนจบแล้วไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงนะโมพระอนาคามีไม่มีราคะไม่มีโทสะเคารพจนไม่มีนะโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะเออไม่มีราคะไม่มีโทสะนโมพระรหรันน้อมๆจนใน ม, มีราคะโทสะโมหะเรียนนโมจบพระรหรันใครเป็นผู้นึกผู้คิดก็สังขารจิตตาสั้งขานเป็นผู้นึกคือผู้คิดเพราะนีาา่ผ่านมาจะมานึกคิดด้วยถ้านึกคิดไปทางถูกก็เป็นมัตเป็นผลไปในตัวถ้านึกไปทางผิดทางนึกคิดไปทางผิดก็เป็นผลไปทางผิดเหมือนกัน ก็เป็นเหตุไปทางผิดเป็นผลไปทางผิดเหมือนกันถ้านึกไปทางถูกก็เป็นเหตุไปทางถูกผลไปทางถูกเหมือนกันเหตุกับผลต้อประยุทธ์กันอยู่ในปัจจุบันเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุนึกผลก็นึกเหตุคิดผลผลก็คิดเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไปสงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้ากรรมและผลของกรรมก็อามีความหมายอันเดียวกัน กรรมก็มีมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุก็มีมโนกรรมเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นนั่นก็มีมโนกรรมเป็นผู้สร้างพืชขึ้นก็คือผลของพืชเหตุฉะนั้นพระปินโททวารัชชะท่านจึงเปล่งสีหนานว่าใครสงสัยในมรรคผลนิพพานก็จงถามเราเถิดท่านไปเองอุทานไปเหตุดีผลก็ดีเหตุชั่วผลก็ชั่ว สางเหตุด้วแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนผลค่าของเหตุจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอะไเป็นปัญหานนัส่วนที่จะให้ผลจบหรือไม่จบก็เป็นเรื่องของเหตุมันตามไปทุกชาตทุกพบก็มีกำบางชนิดให้ผลในพภกนี้ในภพบหน้าและภพสืบและเป็นลําดับกำบางเหตุให้ผลสําเร็จแล้วเช็ดกรรมที่ตามถึงพระอรหันต์ให้ผลสําเร็จแล้ว เพราะท่านมีมเกเรตจะมารับก็ไปถึงแต่คั้นห้าของท่านท่านก็เข้าสู่พระดิพานไปซะเช่นเขาข้าพโมกขราก็ไปถูกแต่ขันห้าของท่านเกเรตของท่านไม่มีคเขาขัดเราทิ้งผ้าขาดไว้กลางถนนเขาโกรธให้เราเขาเอาผ้าเราไปเผาไฟเราก็ไม่แย้ไม่ปวดเพราเราทิ้งแล้วฉนนวั้นใดก็ดีขันห้าของท่านทิ้งแล้วมาก็มาทันแต่ขั้นห้าของท่าน กิเลส ข, ของท่านไม่ทันซะเพราะท่านดูในพระนิพ涅槃แล้วทรงพระพ涅槃แล้วทำแท้ก็ไม่มีมากมีนล็กเดียวที่มากมันก็มากออกมาจากไกลที่น้อยก็น้อยลงมาหาใจเราหนลงมาหาใจเอกระจอยู่ที่ใดเอกสิณเอกสมาธิเอกปัญญาก็อยู่ที่นั่นจะขยายค่อย้ยายออกเหมือนกันจะขยายออกก็มีไตรสิขาจะย่นเข้ามาก็มีไตรสิขาเท่านั้น ไตรเสียขาคือศีนสมาธิปัญญาจะขยายออกไปสักเพียงใดก็มีไตรเสียขาสีสมาธิปัญญาเท่ า, น, า, า, ญญา น, นั้นจะย่นลงมาเป็นหนึ่งก็มีเท่านั้นคนจะมีมากสักเพียงไหนก็ตามก็มีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นก็มีแต่รูปขันนําขันเท่านั้นก็ถูกหรือจะมีแต่ทุกขเท่า น, นั้นก็ถูกคือกายจะกระทุกทุกทางกายเกตาชิตทุกทุกทางกาเกตาชิตทุกไม่มีในพระรหันสมีแต่กายจกทุก เราเหี้วน้ำเอาหน้ามาให้เราดื่มซักพระบรมศาลาเรียกว่ากายจกระทุกพูดตามสมมติแต่จิตใจขององค์ท่านไม่ทุกปฏิบัติไม่หวานพ้นทุกในวัฏจกสงสารก็ค่ากับเกียวหวานคอยแต่จะถอยหลังนั่งพระธรรมก็มาพิจารณาให้ ก็ไม่ภาวนาให้ก้นก็ไม่ภาวนาให้เดินขาก็ไม่ภาวนาให้นอนหลังก็ไม่ภาวนาให้ก็จิตใจเป็นผู้ภาวนาเท่านั้นกรรมฐานอันไหนอันไหนก็มีจิตใจเป็นภาวนาพระคนตายภาวนาไม่เป็นต้องอาศัยใจพุทโธคําเดียวก็เทือนถึงพระนิพพานด้วยธรรโมคําเดียวก็กระเทือนถึงพระนิพพานสังโฆคําเดียวก็กระเทือนถึงพระนิพพานพระน้อมถึงนั่น ถ้าจะว่าพุทโธทำโมสังโฆหลอกกินขนมเขาเจะเฉยมันก็อยู่มันก็ไม่ไม่ไมส่งขึ้นไปอ า, านิสงส์เขาไปมากพุทโธนิพานทำโมนิพานสังโฆนิพานรกราบลงข้างที่หนึ่งก็พุทโธนิพานกราบลงที่สองทำโมนิพานกราบลงที่สามสังโฆนิพานไม่ได้กราบอวดหน้าแขกเพื่อหลอกกินขนมเขาถูกไหมน่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใส่ลงแล้วเนี่ย ใส่ร้านโครกเลยใส่ลงแล้วกรรมฐานไดดีมดขอให้ทำทีนี้ยวนมันเป็นช่างเหล็กอยู่มุกราหารพวกคนพางเอกสารไปพูดร่อมันช่างไม่ทำให้รวยก็ไม่รวยช่างเหล็กทำให้รวยก็ไม่รวยทีนี้ยวนมันก็โกรธทีนี้บอกว่า ทัาจงเอาเงินท่านมาแข่งกับเราสิเราตีเหล็ ก, กอย่างนี้แหละพวกท่านอะทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันทำงานเหงือไม่ออกเอาเงินมาแข่งกับข้าสิมันพูดพวกยวนพวกภาอีสานว่าอาบ่าหมดปัญหาฉันได้ก็ดีผู้ภาวนาจากพุโทโธก็ส่งต่อพระ涅นเหมือนกัน บางท่านปฏิเสธว่าผู้ภาวนาพุทธโธจิตต่ําก็จิตของเราต่ำนันก็ต่ํำสิถ้าจิตของเราไม่ต่ําเราน้อมถึงพระเนรพลมาก่อนถึงพระเนรพลหมดคุณพ่อคุณแม่เขาเปรียบเหมือนคุณพระเนรพนเหมือนกันนะท่านบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณของพระเนรพนเป็นคุณของพระรหันต์เปรียบเหมือนคุณของพระรหันต์เหมือนกันคุณครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเราส่งต่อวัดเนี่ย ส่งต่อทั้งพระเนรพาเราไม่ส่งต่อเรากลับตุนไม่ทําไมเราจึงกึ่งกักตุล้มยก็เพราะเรายินดีในวัฏสงสารเราก็กับตุนไม่สิถ้าเรายินดีในพระเนรพาเราไม่กลับตุนสรงต่อเลยใครก็ให้เต็มแผนฟ้าแผ่นดินเราก็ไม่หลงเราถือว่าเขาเอามาให้พระพุทธพระธรรมพระสงค์ไม่ได้มาให้ให้เกียรติเราเราถืออย่างนั้นของเจดีวิเศษสักเพียงไหนก็ตามบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัก ยมาบูชากิเลสของเรามันก็หมดเรื่องถ้าสําคัญว่าจะมาบูชาเราเขาให้เราด้วยอาํานาจว่าชนาอย่างนี้เวลาเขาให้ของไม่ถูกกับกิเลสก็จะโกรธเวลาเขาให้ถูกกับกิเลสก็จะติดอยู่จะมีน้อยมีมากประสงค์ต่อเป็นเรื่องของวัคคุธปธรปรมผสมหมดเขาเห็นแก่หน้าค่าเสื่อวัคคุธปธรปรมงค์หมดเขาเอามาใหา้แล้วก็บูชาวัคคุปธรประมงสมสิ เราอย่าบูชากิเลสของเรานี่ไฟก็เหมือนกันบูชาพระพุทธธรรมประสงค์นั่นอย่าไปบูชากิเลสของเราไงศาสนาก็เหมือนกันอมนโมนี่ก็เหมือนกันขอมาคุยพระธรรมประสงค์เท่านั้น่เขาเห็นแก่หน้าทักซื้เขาเอามาให้นี่โมนี่โมนี้หงอยโมนี่อยู่ในน้าท่องโมนี้น้าไส่โมนี้นั่นเรานึกยก็เป็นของเรามันก็กิเลสสินึกว่าเรากินขี้กินเหี้ยพระพุทธธรรมประสงค์ก็หมดเรื่องกัน ที่นี่ท่านเพื่ออะไรจะพูดอะไรก็พูดมาซะทีนี้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดียวหนังสือหนังสือหนังสือนั่นเจ้าของหนังสือนั่นนักเดี๋ยวนี้ยังเป็นนี่ตนเองอยู่เป็นนี่เกิดแก่เก็บตายเป็นนี่รอโปรดหลงถ้าถึงพระละหันแล้วจึงจะใช่นี่พระบรมศารณ า, า, า, าจบ ถ้ายังไม่ถึงก็เป็นนี่ท่านอยู่อุปสักปัญญาวิเศษเป็นเหตุแห่งละอาในวัฏสงสารความนายความละอาในวัฏสงสารเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาในทางของพุทธศาสนาความเพลินในวัฏสงสารเป็นพักของพยามานความเคลียรหลาบในวัฏสงสาร เป็นพักของพระพุทธศาสนาความเพลเพลินในวัฏสงสารเป็นพักของพญามารพระพุทธศาสนาสอนให้เขล็ดลาบสอนให้ปลดอาวุธปลดอาวุธเวรไภ่ปลดอาวุธเค็ดหลาบปลดอาวุธต่อสู้สร้างให้ทรงอาวุธต่อสู้ความหลงของตนร้งองไห้ ลองนั de de. Ối, ical, <expenses> ่งหุ่มอยู่ใรอบไม่เป็นของเที่ย่าม่เป็นของสุกไมาเป็นของตัวตนไม่เป็นของสวยของงามได้ในโลกวัลย์อันนี้จังได้ในโลกวัลย์ทุกขังได้ในโลกวัอนัตตาอย่าสงสัยลอลอยเลยนะกลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบัน ชาติเดาตอนาคตด้วยเพลินในวนัฏสงสารกับเพลินใะนรู้ผ่านฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันเพลิงแก่เพลิงเก็บเพลิงตายเพลิงโรคเพลิงโกรธเพลิงหลงสรัพทุกย่อมลงมาหาเอกระทุกในปัจจุบันนอกจากไกลไม่มีอะไดจะหลงใจนอกจากไกลก็ไม่มีอะไดจะรู้ใจนอกจากไกลก็ไม่มีอันอกใดจะทําประโยชน์ให้แก่ใจ นอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําโทษให้แก่ใจใจก็มีคุณเป็นมหาหันแก่ใจแต่ก็มีโทษเป็นอนันต์แก่ใจเหมือนกันพระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้น โ, กโกรคปวดหลงก็พระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นผลรับก็พระผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้รับผู้จะบรรเทาก็ใจเป็นผู้บรรเทา์ด้วยธาว ร, รวัตสีวัตภาวนาวัตรตลอดจนถึงเหื่อแห้งหายไปว่าเป็น เอกันเนบาตคือบทอันมีหนึ่งคือบทใจจะมากก็มากออกมาจากใจทําดีจะมากก็มากออกมาจากใจทําชั่วจะมากก็มากออกมาจากใจผลของความดีความชั่วมีใจเป็นผู้รับไม่มีอันใดมาแยกลิ้นฝ้าอากาศภายนอกก็ไม่มาแยกงตาหูจงเล่นกายก็ไม่มาแยกทําดีก็ดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ชั่วไปดิน ไม่ไปช่วยที่ดินฟ้าอากาศไม่ไปดีในที่ดินฝ้าอากาศหลงใจตอนไหนก็หลงทำตอนนั้นตอนหลงวินัยตอนนั้นปฏิบัติใจตอนไหนก็ปฏิบัติทำตอนนั้นปฏิบัติวินัยตอนนั้นพุธทธธรรมสงทรงอยู่ที่ใจถ้าถือพุทธธรรมสงพุทธธรรมสงก็ทรงอยู่ที่ใจถ้าถือผีผีก็อยู่ที่ใจถ้าเคารพผีผีก็อยู่ที่ใจบางท่านก็บอกว่า หลวงพ่อหลวงพ่อไ ล, ล่ผีออกใครด้วยไ ล, ล่ผีก็ไล่ที่ใจผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทําพวะไม่มีแก่พวะเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดนั้นพระพู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระพุทธศาสนาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นดีก็พระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้น เชือเาวะองคเจ้าใจสร้างขึ้นเราสถาคตเป็นผู้เพียงชี้บอกพระบรมศาล า, า, า, าหิวน้ำก็ดื่มเองหิวนอนก็นอนเองหิวอาหารก็ทานเองเราสถาคตทานแทนไม่ได้ทำมีอยู่ก่อนเราสถาคตจึงรู้ธรรมถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนสถาคตก็ไม่รู้ธรรมเห็ฉนฉันจึงเขารับธรรมทำทรงไว้ ช่งไหวซึ่งโลกีโลกียธรรมช่งไหวซึ่งโลกุตระโลกุตรธรรมผู้ใดไม่สงสัยอยากรล่วงละเมิดอบายยมุขไม่สงสัยอยากกระ่วงเสียนทาไม่เชียอสงสัยจากกระทือศาสตราอื่นจิตท่านผู้นั้นเป็นโลกุตระแล้วเป็นสุปฏิปันโนโลงโออยู่ที่ดวงใจ ล, ลงอาอยู่ที่ดวงใจ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 คือผู้นั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลผู้เชื่อเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วก็คือพระสุภีปนุนั่นเองนะทําไม่มีมากมีน้อยน้อยอยู่ที่หัวใจมากก็มากอยู่ที่หัวใจหลงใจตอนไหนก็หลงทมตอนนั้ น, น, นเข้าใจตอนไหนก็เข้าใจทำตอนนั้น ปฏิบัติใจตอนไหนก็ปฏิบัติธรรมตอนนั่นถ้าปฏิบัติไปในทางถูกเห็นผิดเป็นชอบเหตุชีพหายจะให้ผลเจริญไม่มีสร้างเหตุลงแล้วผลมาไปสก์ก็ได้รับตามส่วนคนุค่าของเหตุที่สร้างขึ้นจะปฏิเสธใครใครก็ไม่ได้เหตุนั่งผลก็นั่งพอใจเป็นผู้พานั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟัง เหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุหลับผลก็มืดเหตุลืมตาผลก็เห็นเป็นไปแต่ตาฟาหรือลืมตาไรที่มืดพระพุทธศาสนาสอนใจจงทาจิตให้บันเทิงในการละชั่วทาดี เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายนั่นแต่พวกเรามักจะบันเทิงไปทางทางชั่วมันก็ให้ผลไปทางชั่วสุปฏิปโนไม่ถือโลกถือยามไม่ถือศาสนาอื่นถือศาสนาพุทธเท่านั้นไม่ยินดีในศาสนาอื่นเพราะเหตุใดเพราะเห็นว่า คำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดแล้วเหตุฉะนั้นจึงไม่สงสัยในทางคาสอนของพระบรมศาสดาเสียมทิศจะมีเกียล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่เคลืนอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่เคลืนอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อ ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยน่ะเทียบในทางลึกรึ่งพ่ห้คำนึงได้หลายถางน้าพ่อหน้อครองเมืองบางต่างๆไรลลงสู่มหาสมุททะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนใดดก็ไร้ลงสูคำสอนพุทธศาสนาะโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อ ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเรียกว่าอนิจจสัจจังจริงอย่างประเสริฐไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมาทิศอีกด้วยไม่มีเอวังเช่นความแก่เก็บตายที่ประจำตัวของเราอยู่นี้ก็ไม่มีเอวังไม่ลงธรรมาติไม่มีนิพพิตังความป่วยความเน่าในสกุลกายของเราก็เหมือนกัน ไม่ลงธรรมากจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลาคือผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วก็ไปทางรัดเห็นความแก่ชัดในปัจจุบันความแก่ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นความเกิดขึ้นแนวแปรดับในปัจจุบันชัดความเกิดขึ้นแปรดับในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นอเนจังชัดก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอเนจังเห็นทุกชัดก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยทุก ท้ามั่อย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงของคนได้นะข้ามก็ข้ามทะเลหลงข้ามทะเลหลงด้วยเครื่องบินหรือเรืออะไรอะไรข้ามไม่ได้ต้องข้ามด้วยปัญญาปัญญามีอยู่แต่และท่านแต่ละคนอริยะธรรมเอฏิโตนะลูกอริยะธรรมคือทำมันประเสริฐอยู่ที่หนอนและชนทั้งหลายนั่นเองเพราะไม่เป็นบ้าใบาเสียจริตผิดมนุษย์นพุทโธแปลผู้รู้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 จะเอาอัตตาอนัตตามาเป็นสงครามกันก็ไม่ถูกจะเอาตาหูจมูกเลื่ยงกายมาเป็นสงครามกับใจมันก็ไม่ถูกใจมีหน้าที่รับเมเขากรับสิตามีหน้าตาหูจมูกเลี่ยงกายมีหน้าที่ส่งเมก็ส่งไปส่วนผู้รับเมแล้วอ่านแล้วได้ความว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับผนนู้นั้นตาหูจมูกเลีนยงเขามีหน้าที่ส่งเขาก็ส่งสัมผัสไปใจมีหน้าที่พิจารณา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 ต่ออายุก็ต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทำบาปต่ออายุก็ต่ออายุความบาปอยู่ที่ใจไม่ต่อในที่อื่นคิดตังท่านตังสุขาวาังคิดที่ฝึกฝนแล้วนำสุขมาให้จิตคิดที่ไม่ฝึกฝนก็นำทุกมาให้ใจิตใจมโนภูพานธรมา ม, ามโนเสต้ามโนม า, า, ายาทำทาร้ายมีใจเป็นใหญ่สาเร็จแล้วด้วยใจทานวัดศีลวัดภาวนาวัดก็มีใจเป็นหัวหน้า ภาวนากรรมฐานอัน ใ, นใดๆก็มีใายเป็นหัวหน้าภาวนาพุทธโธก็มีใายเป็นหัวหน้าภาวนาลมห้ใจเข้าออกก็มีใายเป็นหัวหน้าภาวนาความตาก็มีใายเป็นหัวหน้าเขราใจเป็นผู้รู้จักกวาตายจะมาถึงส ก, กุลในร่างกายพดใจทําใจสงใจนั่นลงมาเป็นเอกนิบาตเนืดด้อสังขโหอสังโหไม่สงเคราะ์ ทำดีก็ดีอยู่ที่ใจเท้าชั่วก็ชั่วยอยู่ในใจขนาก็อยู่ในที่ใจครู่ก็อยู่ขในากนี้ใจยุกก็เป็นยุกของใจเอกลางสมัยอย่างสมัยหนึ่งพระพุมิมีพระก้าสมัยใดก็ตามก็เป็นสมัยใจนั่นเองนะสมัยที่ทำดีก็เป็นสมัยใจสมัยที่ทำชั่วก็เป็นสมัยใจนั่นนะพูดเพื่อฟังง่ายเพื่อปฏิบัติง่ายอดีตคือนิทานของใจ อนาคตก็คือนิทานข้องใจที่ยังไม่มาถึงนัตติโรเกระหูนามะความรับไม่มีในโลกเรานึกอะไรเราก็เห็นอยู่นึกไปทางดีเราก็รู้อยู่นึกไปทางชั่วเราก็รู้อยู่เหตุฉะนั้นจึงว่านัตติโรเกระหูนามะความรับไม่มีในโลกพวกเขาโกหกพโลกลมเข้าไปรักซกจกหอ เขาก็ะรูเขาอยู่เขาปฏเิเสธเขาก็ะรูเขาปฏิเสธอยู่นั่นความรับไม่มีในโลกคําสอนใดนในไตโลกธาตุจะแสดว่าเมือนั้นคำสอนพุทธศาสนาไม่มีเลยเพราะพุทธศาสนาสอนเป็นมนุษย์สมบัติแล้วทําเป็นโลกบาดาลคุ้มครองโลคคลองอยางความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้นะถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้ว ก้นหม้ก้นหมูก็อทักก้พวกอะไรอะไรก็ตั้งไม่อยู่อู้ของทําให้นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความเชื่อในที่แจ้งมาได้ก็ไปทํำในที่รับนั่ น, น, นคำสอนใดๆก็ตามก้อนไม้ใดๆก็ตามถ้ามาอาศัยคําสอนของพุทธศาสนาเป็นดิ่งแล้วมันก็ไปไม่รอดเช่นพวกที่ถือว่าไม่ไ ม, ไม่มีบนไม่มีบาปเขาไปรอดไหมเขาเข้าไปไม่รอดเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ไม่มี ความเห็นทําไมจึงแย้งกันผู้มีกิเลสว่า ก, ก็ความเห็นต่ํามากผู้มีกิเลสว่า ก, ก็ความเห็นสูงอืมเหตุฉะนั้นตํ ร, รมโมนาวัตติโลกูสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมของสัตว์ตัางหลายนั่นกรรมและผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็หมายเอาพระอนาคามีในทางกุศล ในธาบาปก็หมายเอามหาวิจินรกส่วนอนหัตตะมักอนัฐ ต, ตผลท่านไม่จัดเป็นกรรมแล้วผลของกรรมเสียแล้วเพราะเป็นผลขาดตอนกรรมดีท่านก็ละพอแล้วโอ้ท่านก็ปฏิบัติพอแล้วกรรมชั่วท่านก็ละพอแล้วก็เลอยู่เนื้อเหตุเนื้อผลเนื้อกรรมดีกรรมชั่วไปซัก ข้ากับน้าเต็มตุ่มเต็มไหเอามาเาใส่เหตุที่จะรับไว้ก็มีไม่มีเหตุที่จะตัดใส่ก็ไม่มี